ข้อควรศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปข้อที่8กรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ปัญหาหนึ่งซึ่งแม้จะมีผู้ถามขึ้นเพียงบางครั้งบางคราวแต่เป็นความสงสัยที่ค้างอยู่ในใจผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาจํานวนไม่น้อยคือเรื่องที่ว่าหลักกรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคนเราทั้งกายและใจเป็นอนัตตากรรมจะมีได้อย่างไรใครจะเป็นผู้ทำกรรมใครจะรับผลกรรมความสงสัยในเรื่องนี้มีใช่มีแต่ในบนัดนี้แม้ในครั้งพุทธการก็ได้มีแล้วดังเรื่องว่าภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดสงสัยขึ้นว่าทราบกันว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทมจะถูกต้องตัวได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงยังทราบความคิดสงสัยของภิกษุนั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่คนเขาบางคนในธรรมวินัยนี้มีใจตกอยู่ในอวิชชาถูกตันหาครอบงา อาจสำคัญว่าคำสอนของพระาศาสดาเป็นสิ่งที่พึงคิดถลายล้าเลยไปได้ว่าทราบกันว่ารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้กรรมทั้งหลายที่อนัตตารมจะถูกต้องตัวได้อย่างไรเธอทั้งหลายอนเราแนะนาอย่างทีท้วนด้วยการทวนถามในข้อธรรมะทั้งหลายในเรื่องราวทั้งหลายแล้วจะสาคัญเห็นเป็นไหน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เทียงพระเจ้าข้ า, ขาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าขา้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็เป็นแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงมองเห็นตามที่มันเป็น ด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้มองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมหลุดพ้นกิดอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ย่อมไม่มีก่อนที่จะวิจารณ์ตามบาลีที่อ้างข้างต้นหรือพูดถึงเหตุผลต่างๆต่อไป ขอให้พิจารณาข้อเปรียบเทียบต่อไปนี้สมมุติว่าขณะ น, นี้ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนกำลังยืนมองกระแสน้ำสายหนึ่งอยู่กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบเป็นส่วนมากจึงไหลเอื่อยๆไม่เชี่ยวดินที่กระแสน้ำไหลผ่านส่วนมากเป็นดินสีแดงกระแสน้ำสายนี้จึงมีสีค่อนข้างแดงนอกจากนั้น กระแสน้ำยังไหลผ่านถิ่นที่มีประชาชนอยู่หนานแน่นหลายแห่งคนได้ทิ้งขยะและของเสียต่างๆลงในลำน้ำเป็นอันมากตลอดเวลาทำให้น้ำาสกปรกยิ่งในระยะหลังนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งมากขึ้นและปล่อยน้ำเสียลงในน้ำทุกวันทำให้เกิดเป็นพิษไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้าจึงมีปลากุ้งเป็นต้นไม่ชุมสรุปแล้ว กระแสน้ําที่เรากําลังมองดูอยู่นี้สีค่อนข้างแดงสกรปรกเจือปนด้วยน้ําพิษมากมีสัตว์น้ําไม่ชุมไหลเอื่อยๆช้าๆผ่านที่นั้นที่นั้นทั้งหมดนี้รวมกันเข้าเป็นลักษณะจำเพาะของกระแสน้นํานี้ซึ่งลักษณะาบางอย่างก็เหมือนกระแสน้ำโนนบางอย่างเหมือนกระแสน้ํานั้นบางอย่างเหมือนกระแสน้ํานูนเป็นต้นแต่รวมทั้งหมดแล้ว ไม่เหมือนกระแสน้ําอื่นใด ต, ต่อมามีผู้บอกเราว่ากระแสน้ําสายนี้ชื่อแม่น้ําท่าวังเขาบอกว่ากระแสน้ําของแม่น้ําท่าวังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนบอกว่าแม่ น, น้ําท่าวังมีน้ําสกป ร, รกปลาไม่ชุมบางคนบอกว่ากระแสน้ําของแม่ น, นม้ําท่าวังไม่ไหลเชี่ยวและเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น บางคนว่าแม่น้ำท่าวางไหลผ่านทินที่มีดินสีแดงมากจึงมีน้ำสีค่อนข้างแดงเราเกิดความรู้สึกเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าความจริงกระแสน้ำที่เรามองดูอยู่ก็มีภาวะสมบูรณ์ในตัวตามสภาพของมันอยู่แล้วมันมีลักษณะต่างๆเช่นไหลช้ามีสีแดงสกประกเป็นต้น ก็เพราะมันเกิดจากองค์ประกอบและความเป็นไปต่างๆที่เป็นเหตุเป็นผลอันทำให้มันต้องเป็นเช่นนั้นเช่นเมื่อกระแสน้ำกระทบละลายดินแดงก็เกิดผลขึ้นแก่กระแสน้ำนั้นให้มีสีแดงเป็นต้นความเป็นไปต่างๆของมันมีผลต่อมันอยู่ในตัวเองยิ่งกว่านั้นขณะที่เรามองอยู่นั้นกระแสน้าก็ไหลผ่านไปเรื่อย น้ำที่เราเห็นตรงหน้าเมื่อแรกมองกับเวลาต่อมาก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันและน้ำที่เห็นตอนต่ อ, ตอมากับตอนท้ายที่เราจะเลิกมองก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันแต่กระนั้นมันก็มีลักษณะจำเพาะที่เรียกได้ว่าเป็นอย่างเดิมเพราะองค์ประกอบต่างๆที่รวมเข้าเป็นกระแสน้ำนั้นยังคงเหมือนเหมือนเดิมแต่มีคนบอกเราว่า แม่น้านี้ชื่อแม่น้ำท่าวังยิ่งกว่านั้นยังบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีกระแสน้าไม่เชี่ยวน้าของแม่น้าท่าวังสกปรกลาน้อยเรามองไม่เห็นว่าจะมีแม่น้ำท่าวังอยู่ที่ไหนตั้งหาดหรือนอกจากกระแสน้ำที่เรามองอยู่นั้นเรามองไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังไหนที่มาเป็นเจ้าของกระแสน้ำที่ไหลอยู่นั้น ยิ่งกว่านั้นเราไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ที่ไหนได้เลยกระแสน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปแล้วก็ไหลผ่านไปเลยน้ำเก่าที่เราเห็นก็ไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วมีแต่น้ำใหม่มาแทนที่เรื่อยไปเรากาหนดกระแสน้ำนั้นได้ด้วยองค์ประกอบอาการและความเป็นไปต่างๆที่ประมวลกันขึ้นให้ปรากฏลักษณะอันจะถือเอาไดเช่นนั้นเท่านั้นเอง และถ้ามีตัวตนของแม่น้ําท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนตายตัวอยู่กระแสน้ําก็คงจะเป็นไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้และในขั้นสุดท้ายเราเห็นว่าแม่น้ําท่าวังนั่นแหละเป็นส่วนเกินที่ไม่จําเป็นเราพูดถึงกระแสน้ํานั้นได้เต็มตามกระบวนการของมันโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับแม่น้ําท่าวังเลย ว่าให้ถูกแล้วแม่น้ำท่าวังไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำไปเราเห็นชัดเลยว่าไม่มีไม่ต้องมีและไม่อาจจะมีอะไรอะไรมาเป็นตัวตนที่เรียกว่าแม่น้ำท่าวังหรือมีแม่น้ำท่าวังที่ไหนมาเป็นตัวตนเป็นอัตตาที่จะเป็นเจ้าของเป็นเจ้ากี้เจ้าการกำกับสั่งการแก่กระแสน้านั้น ต่อมาอีกนานเราเดินทางไปถึงตำบลอื่นเราพบชาวตำบล น, นั้นหลายคนคราวหนึ่งเราอยากจะเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำที่เราได้มองดูคราวก่อนนั้นแล้วเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันทีเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเขาจึงจะเข้าใจตามที่เราต้องการจะบอกเขาได้เรานึกขึ้นมาได้ถึงคำที่เคยมีคนบอกเราว่า กระแสน้ำสายนั้นชื่อแม่น้ำท่าวังจากนั้นเราก็สามารถเล่าให้ชาวบ้านฟังอย่างสะดวกค ล, อคล่องแคล่วและเขาเข้าฟังด้วยความเข้าใจและสนใจเป็นอย่างดีเราพูดด้วยว่าแม่น้ำท่าวางมีน้ำสกรปรกมีปลาน้อยกระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไหลช้าแม่น้ำท่าวังไหลไปกระทบดินแดงทำให้มันมีสีค่อนข้างแดง ในเวลานั้นเราเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยว่าแม่น้ำท่าวังและบทบาทของมันตามที่เราเล่านั้นเป็นเพียงถ้อยคำสมมุติเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันในโลกแม่น้ำท่าวังและบทบาทของมันตามคำสมมุติเหล่านี้จะมีขึ้นมาหรือไม่มีแล้วเราจะใช้มันหรือไม่ก็ตามทีจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสน้ำนั้นเลย กระแสะน้ำนั้นก็คงเป็นกระบวนการแห่งกระแสะที่ไหลเนื่องไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของมันอยู่นั่นเองเราแยกได้ระหว่างสมมุติกับสภาวะที่เป็นจริงบัดนี้เราทั้งเข้าใจและสามารถใช้ถ้อยคำเหล่านั้นพูดด้วยความสบายใจ ที่สมมุติเรียกกันว่าคนว่าในกอคุณขอเราเขานั้นโดยสภาวะที่แท้ก็คือกระบวนธรรมะที่ไหลเนื่องเป็นราษาสืบต่อกันไปไม่ขาดสายมีองค์ประกอบต่างๆมาสัมพันธ์กันอยู่มากมายมีความเป็นไปปรากฏให้เห็นได้นานับประการสุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภ า, ายในกระบวนกาธรรมะนั่นเองและทั้งที่เนื่องด้วยภายนอก เมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้นแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกระบวนธรรมะนั้นสิ่งที่เรียกว่ากรรมและวิบากนั้นก็คือความเป็นไปตามทางแ่งเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมะที่กล่าวนี้ซึ่งมีความสำเร็จพร้อมอยู่ในตัวกระบวนธรรมะนั่นเองโดยไม่ต้องอาศัยตัวสมมติ เช่นว่าในกอในขอเราเขาในสิบในพันมารับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทาหรือเป็นผู้รับผลแต่ประการใดอันนี้เป็นส่วนตัวสภาวะความจริงอันเป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันแต่เพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้เข้าใจกันในหมู่ชาวโลกจะใช้พูดตามสมมติก็ได้โดยตั้งชื่อให้แก่กระบวนธรรมะที่ไหลเวียนอยู่นั้นว่า ในกอในขอจมืน่นหัวหมูเป็นต้นเมื่อรับสมมุติเข้าแล้วก็ต้องยอมรับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทาและผู้ถูกทาไปตามเรื่องแต่ถึงจะสมมุติหรือไม่สมมุติจะรับสมอ้างหรือไม่รับกระบวนธรรมะที่เป็นตัวสภาวะความจริงก็เป็นไปอยู่ตามกฎธรรมดาตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเอง ข้อสำคัญก็คือจะต้องรู้เท่าทันแยกสมมุติกับตัวสภาวะออกจากกันได้ของอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อใดจะพูดถึงสภาวะก็พูดไปตามสภาวะเมื่อใดจะใช้สมมุติก็พูดไปตามสมมุติอย่าไขว้เขวอย่าสับสนปะปนกันและต้องมีความเข้าใจสภาวะเป็นความรู้เท่าทันรองรับยืนเป็นเพื่อนอยู่ ทั้งตัวสภาวะและสมมุติเป็นสิ่งจำเป็นตัวสภาวะซึ่งนิยมเรียกกันว่าปารมัตเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนสมมุติเป็นเรื่องของประโยชน์ในทางปฏิบัติสําหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เอาสภาวะกับสมมุติมาสับสนกันคือเข้าไปยึดเอาตัวสภาวะจะให้เป็นตามสมมติจึงเกิดวุ่นวายขึ้น สภาวะไม่วุ่นเพราะมันเป็นไปอย่างนั้นเองตามปกติธรรมดาไม่เกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม่มนุษย์เป็นผู้วุ่นไปฝ่ายเดียวและเพราะมันไม่วุ่นด้วยมนุษย์จึงยิ่งวุ่นวายใหญ่เพราะขัดความปรารถนาถูกบีบคั้นจึงเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์เองตามเรื่องในบาหลีที่ยกมาอ้างค้างต้น เห็นได้ชัดว่าภิกษุที่เกิดความสงสัยนั้นเอาความรู้เกี่ยวกับสภาวะตามที่ตนฟังมาเรียนมาไปสับสนกับสมมุติที่ตนยึดถืออยู่จึงเกิดความงุนงงตามข้อสงสัยของเธอถ้าคงสับสาคัญไว้ตามเดิมจะแปลว่ากรรมทั้งหลายที่เป็นอนัตตา ร, รมจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรท่อนแรกเธอพูดตามความรู้เกี่ยวกับตัวสภาวะ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 เพราะอาัตตาไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเข้าถึงเนื้อตัวมันอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีผลให้เนื้อตัวอัตตาเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็จะต้องแยกคนออกเป็นสองชั้นอย่างลทัทธิศัสตาทิฐิบางพวกที่ว่าคนทำกรรมรับผลกรรมกันไปอยู่แค่ชั้นนอกส่วนแกนแท้หรืออัตตาอยู่ภายในเที่ยงคงที่ถึงอะไรจะเป็นไปอย่างไร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 อะไรไปสัมพันธ์กับอะไรแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นในกระบวนธรรมะนั้นทำให้กระบวนธรรมะนั้นผันแปรเป็นไปอย่างไรอย่างไรเมื่อมีเหตุที่เรียกว่าการกระทำเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแล้วก็ย่อมมีผลที่เรียกว่าวิบากเกิดขึ้นในกระบวนธรรมะนั่นเองเรียกว่ามีการกระทำและมีผลการกระทำเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีเจ้าของกรรม ที่มาเป็นผู้ทํากรรมและเป็นผู้รับผลกรรมนั้นอีกชั้นหนึ่งกรรมคือความเป็นไปตามเหตุและผลในกระบวนธรรมะนั้นอันตัางหากจากสมมุติที่เราเอาไปสวมใส่ครอบให้มันเมื่อตกลงจะสมมุติเรียกกระบวนธรรมะที่ดําเนินอยู่นั้นว่าเป็นในกอในขอก็ย่อมมีในกอในขอที่เป็นเจ้าของกรรม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 หรือจะพูดในแง่ว่าในกอนในขอทากรรมนั้นแล้วรับผลกรรมอย่างนี้ก็พูดไปเมื่อพูดในแง่สมมุติก็ให้รู้ว่ากำลังพูดในแง่สมมุติเมื่อพูดในแง่สภาวะหรือปรมัติก็ให้รู้ว่ากาลังพูดในแง่สภาวะเมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงและความมุ่งหมายในการพูดแบบนั้นๆไม่เข้าไปยึดติดถือมัน่น ไม่เอามาปะปนกันก็เป็นอันใช้ได้ในคำพีวิสุทธิ์มักกล่าววินาฟังว่าผู้ทากรรมไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปความเห็นอย่างนี้จึงเป็นสัมมาทัศนะไม่ต้องพูดถึงมนุษย์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 เราไม่มองเห็นกระแสะเหตุปัจจัยที่เป็นไปต่อเนื่องโดยตลอดการศึกษากระบวนธรรมะตามสภาวะจึงจะช่วยให้มองเห็นกระแสะความสัมพันธ์นั้นได้ละเอียดตลอดสายว่าความหมายของการได้รับผลนั้นที่แท้จริงคืออะไรและเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรคำพีอภิธรรมรุนอัรธกถาดีกาชี้แจงว่า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 เขาหวาดกลัวการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่และการแก้แค้นของญาติพวกพ้องของผู้ตายเที่ยวหลบซ่อนตัวต่อมาก็ถูกจับได้และถูกลงโทษแม้ภายหลังพ้นโทษออกมาแล้วนาย ก, ก็ยังมีความเดือดร้อนใจในการก่ะกรรมชั่วถูกภาพของคนตายหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจหาความสุขความเย็นใจไม่ได้เลย หน้าตาท่าทางของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นหมุนมองร้อนรนหวาดระแวงและอมทุกข์ภาวะจิตใจเช่นนี้ประกอบกับปัจจัยอย่างอื่นเช่นความมีร่างกายแข็งแรงได้มีผลสืบเนื่องต่อมาโดยทำให้เขากลายเป็นคนชุนเฉียวโมโหร้ายรุนแรงและเมื่อเวลายาวนานผ่านไปบุคลิกภาพของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนมีลักษณะายาบคาย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 แต่ถ้าพูดโดยปรมาทหรือตามสภาวะของธรรมชาติเองแท้ๆก็จะพูดได้ถึงเนื้อในของความเป็นไปทั้งหมดที่เรียกว่ากระบวนธรรมะเช่นบอกว่าในกระบวนธรรมะแห่งขันห้าชุดนี้จิตประกอบด้วยความโกรธเกิดขึ้นมีการปรุงแต่งตามความโกรธนั้นจนแสดงออกเป็นการกระทามีกรรมเกิดขึ้นจิตที่มีการปรุงแต่งอย่างนั้น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 บางคนก็ยังไม่อาจเข้าใจจึงคงจะต้องเล่าเป็นนิทานว่าทิศพ่องไปคุยธรรมะกับท่านพระครูที่วัดตอนหนึ่งทิศพ่องถามว่าเอหุวงพ่อครับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นของใครๆไม่มีตัวผู้ทํากรรมไม่มีตัวผู้รับผลของกรรม ถ้าอย่างนั้นผมจะไปฆ่าใครตีหัวใครหรือทำอะไรอะไรใครก็ได้สิครับเพราะไม่มีใครทำกรรมและผมก็ไม่ต้องรับผลกรรมพอทิผ่องพูดขาดคำไม่เท้าในมือของท่านพระครูซึ่งท่านช่วยขึ้นมาจากข้างที่นั่งเมื่อไรทิผพองไม่ทันสังเกตเห็นก็ฟาดลงมาอย่างรวดเร็วจนเขายกแขนขึ้นรับแทบไม่ทันหลายไม่เท้าถูกกลางต้นแขนพอหน่่ยหนยแดงแดงทิดพองคลำแขนป้อย หลวงพ่อทำไมทำกับผมอย่างนี้ล่ะทิศผ่องพูดเสียงกราวแสดงอาการว่ากำลังข่มความโกรธอา้าวเป็นไงล่ะท่านพระครูถามลอยๆยก็หลวงพ่อตีผมผมเจ็บเนี่ยทิศผ่องตอบเสียงเครียดหน้านิวกรรมมีอยู่ผู้ทำกรรมไม่มีผลกรรมมีอยู่ผู้รับผลของกรรมไม่มีเวทนามีอยู่ ผู้สวยเวทนาไม่มีความเจ็บมีอยู่ผู้เจ็บไม่มีท่านพระครูพูดเปลยเปลยปรับเสียงช้าช้าอย่างทำนองเทศแล้วว่าต่อไปอีกผู้ใดสแสวงหาประโยชน์ในทางเห็นแกตัวจากอนัตตาผู้นั้นไม่พ้นจากอัตตาผู้ใดยึดมั่นอนัตตาผู้นั้นแลคือผู้ยึดมั่น อ, น อ, นอนัตตา